การปฏิบัติธรรมแนวพุโทโธถามการปฏิบัติของพระป่าที่ท่านใช้การบริกรรมพุโทโธนั้นมีอารมณ์บัญญัติเป็นเพียงการทาสมถะเท่านั้นใช่หรือไม่ครับ ครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเทระหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าสายพระป่าท่านนิยมสอนให้สิทธิบริกรรมพุทโธเมื่อได้ยินคำว่าบริกรรมพุทโธหลายท่านจะสรุปทันทีว่าเป็นการทำสมถะไม่มีทางที่จะทำวิปัสสนาได้เลยเพราะพระอภิธรรมสอนไว้ว่าบัญญัติอารมณ์ใช้ในการทาสมถะ ส่วนปรมัาธอารมณ์ใช้ในการทำวิปัสสนาดังนั้นการบริกรรมคำว่าพุทโธจึงเป็นความคิดเป็นบัญญัติหรือเป็นการทำพุทธานุสติจึงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นการทำสมถะแท้จริงคำบริกรรมพุทโธเป็นเพียงเหยื่อล่อเพื่อให้เราเกิดสติรู้ทันจิตครูบาอาจารย์พระป่าบางองค์ท่านเปรียบเทียบว่า คำบริกรรมพุโทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาจิตคือปลาเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเอาคำว่าพุโทโธแต่ปฏิบัติเพื่อจะรู้ทันจิตพุโทโธเป็นบัญญิก็จริงแต่จิตที่รู้พุโทโธเป็นปรมัติซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ครูบาอาจารย์บางรูปเช่นท่านอาจารย์บุญจันทร์จันทวรโร แห่งวัดถ้ำผาพึ่งจังหวัดเชียงใหม่สอนถึงขนาดให้บริกรรมว่าพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจคือบริกรรมแล้วให้หัดสังเกตว่าคําว่าพุโทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าและบริกรรมพุโทโธแล้วกยคอยชํ่เลืองสังเกตจิตใจตนเองจะพบว่าระหว่างที่บริกรรมพุโทโธอยู่นั้นบางขณะ เกิดความสุขบางขณะจิตเกิดความทุกข์บางขณะจิตก็สงบบางขณะจิตก็ฟุ้งซ่านเป็นต้นเมื่ออ่านจิตใจตนเองออกแล้วก็วางคําว่าพุโทโธเสียแล้วเฝ้าดูจิตต่อไปพ่อแม่ครูอาจารย์บางองค์เช่นหลวงปู่ดูลอาตุโูก็สอนสิทธ์บางคนให้บริกรรมพุโทโธ แล้วรู้ทันจิตผู้บริกรรมพุทโธ ร, รู้ไปจนหมดคำพูดคือหมดการบริกรมรมเหลือแต่การรู้สภาวะของจิตประมัตและเจตสิกปรมัตตต่อไปการที่รู้ว่าบางขณะจิตมีความสุขทุกข์สงบฟุ้งซ่านหรือมีกุศลและอกุศลต่างๆนั้นจะทำให้ผู้ปฏิบัติสังเกตได้ชัดเจนว่าความสุขก็ถูกรู้ ความทุกข์ก็ถูกรู้ ก, ก, รกุศลก็ถูกรู้อกุศลก็ถูกรู้สิ่งเหล่านี้ปรากฏเกิดร่วมกับจิตเป็นคราวๆเท่านั้นส่วนจิตเป็นเพียงธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี้คือการหัดทำความเข้าใจนามเจตสิกอันได้แก่เวทนาและสังขารกับนามจิตนั่นเองนอกจากนี้ยังเห็นอีกว่า ทั้งจิตผู้รู้อารมณ์กับเจตสิกที่ถูกจิตรู้นั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงนามธรรมที่เมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้นเป็นคราวแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนี้ก็คือการก้าวจากขั้นการรู้จักแยกสภาวะของขันไปสู่ขั้นการทำวิปัสสนานั่นเองการบริกรรมพุทโธยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีก คือครูอาจารย์พระป่าบางองค์ท่านสอนให้สิดบริกรรมพุทโธซึ่งเป็นความคิดเพื่อเป็นอุบายตัดกระแสความคิดของจิตที่จะส่งสายออกไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่ควรคิดทำให้จิตรวมสงบเข้ามาที่จิตแล้วมีสติสัมปชัญญะตามรู้จิตปรมาติต่อไปจนสามารถถอดถอนความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราและถอดถอนความยึดถือจิตได้ ในที่สุดด้วยนอกจากนี้ครูบาอาจารย์พระป่าท่านยังหัดให้สิทธิพิจารณากายซึ่งการคิดพิจารณากายว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นขันธ์ก็เป็นการทำสมถะอีกอย่างหนึง่งท่านทราบไม่ใช่ไม่ทราบดังเช่นหลวงปู่เทศเทสรรังสีก็เคยสอนเรื่องนี้ไว้ตรงๆว่า การคิดพิจารณากายว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นสิ่งที่ต้องตายเป็นธาตุขันเหล่านี้เป็นไปเพื่อแก้อาการของจิตคือเป็นสมถะหลวงพ่อพุทธานิโยก็สอนอยู่เสมอสมอว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดคือให้รู้หรือรู้สึกเอา แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ทำเพราะสิทธิส่วนมากของท่านเป็นพระหนุ่มเนน้อยการพิจารณากายเช่นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นเครื่องขมราคะทำให้อยู่รอดในสมณะเพศได้ง่ายขึ้นและถ้าเรื่องนี้ไม่จำเป็นจริงๆพระพุทธเจ้าคงไม่ทรงบัญญัติให้พระอุปัชฌาย์ต้องสอนผู้บวชให้รู้จักตะจักปันจกรรมฐาน คือสอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังถ้าพระอุปชาไม่สอนท่านถึงกับปรับอาบัติอุปชาทีเดียวเพราะถือว่าเป็นการทำลายอุปนิสัยพระอรหันต์ของสิทธิ์เมื่อ ค, <น>คิดพิจารณากายอยู่นั้นบางท่านจำแนกได้ว่ากายนี้เป็นเพียงสมมุติมันยับแท้จริงคือรูป เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวหรือเมื่อยามเดินบินทบาตเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งฉันอาหารกวาดวัดซักจีวรทำข้อวัดเช่นนวดครูบาจาย์เป็นต้นท่านก็มีสติรู้รูปยืนเดินนั่งนอนคุ้เจียดเพราะพระป่าท่านเน้นการเจริญสติในทุกอิริยาบถ และไม่ใช่เพียงเห็นรูปปรมัตน์ท่านยังเห็นอีกว่าจิตเป็นธรรมชาติที่รู้รูปเป็นอีกสิ่งหนึ่งต่างหากจากรูปท่านจึงเห็นรูปไหวและเห็นนามรู้ได้ชัดเจนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขัดแย้งกับภาคปริยัติเลยเพียงแต่ส่วนมากนักปฏิบัติไม่ได้ศึกษาปริยัติจึงไม่สามารถพูดสื่อความเข้าใจกับนักปริยัตได้เท่านั้นเอง บางท่านคิดพิจารณากายสลับกับการเพ่งนิ่งอยู่กับกายในลักษณะของการเพ่งกรสินคือเอารูปกายที่ยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละเป็นบริกรรมนิมิตบ้างหรือพิจารณากายสลับกับการกาหนดลมหายใจบ้างแล้วจิตรวมลงเกิดอุคหานิมิตคือจำภาพกายได้ด้วยใจชัดเจนเหมือนตาเห็นเป็นบัญญัติอารมณ์ แล้วเกิดปฏิภาคขณิมิตของกายเป็นบัญญัติอารมณ์แล้วเกิดปีติสุขเอกคตาหลังจากนั้นจิตจึงเอาองค์ฌานซึ่งเป็นปรมัติอารมณ์มาใช้เจริญวิปัสสนาท่านที่เดินในแนวอย่างนี้ก็มีมากแต่ไม่ว่าท่านจะพิจารณากายอย่างไรพอเลิกพิจารณาแล้ว ท่านจะเน้นเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลาที่ตื่นอยู่บางท่านทำความสงบจนจิตแนบแน่นอยู่กับความสงบในจุดเดียวไม่คิดไม่นึกปรุงแต่งอะไรเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิท่านก็จะน้อมจิตออกพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นธาตุและทำความสงบกลับเข้าไปอีก เมื่อจิตรวมลงก็เกิดนิมิตเห็นกายสลายตัวไปเพราะเคยพิจารณานำร่องให้จิตเห็นอย่างนั้นไว้ก่อนแล้วถึงจุดนี้อาศัยที่ท่านเคยรวมจิตเข้าจนถึงฐานด้วยการทำสมาธิมาจนชำนาญเมื่อไร้กายแทนที่จิตจะเพ่นพ่านปรุงแต่งไปที่อื่นจิตกลับรวมลงมารู้อยู่ที่จิตและเห็นอารมณ์ปรมาภายในจิตเกิดดับ เช่นเห็นความไหวยิบยับเกิดดับไปโดยไม่มีสมมติบัญญัติว่าสิ่งนั้นคืออะไรเป็นการเจริญวิปัสสนาได้ในอีกลักษณะหนึ่งจนเกิดตัดกระแสะโลกเข้าถึงธรรมได้วิธีการเช่นนี้น่าจะสอดคล้องกับเรื่องที่ตำราเรียนพระอภิธรรมในเรื่องภูมิจัตุกะและปฏิสนธิจัตุกะอธิบายไว้ว่าพระอริยบุคคล ผู้ไปกําเนิดในอรูปภูมิแม้กระทั่งในเนวสัญญานาสัญญาญาตนะภูมิสามารถไปปฏิบัติธรรมต่อได้จนถึงนิพพานในอรูปภูมินั้นนั้นและตรงจุดนี้เองที่ทําให้อาตมานึกถึงคําสอนในอัตถคถามหาสติปฐานสูตรที่ท่านสอนว่ากายานุปัสนาสติปฐานเหมาะกับผู้เป็นสมทัยานิก พระหากพระป่าคิดพิจารณากายโดยไม่มีกำลังของสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนเมื่อจิตพิจารณาจนหมดกายแล้วจิตก็ย่อมฟุ้งซ่านไปหาอารมณ์ภายนอกเช่นไปหาอารมณ์ที่เป็นอรูปแทนที่จะย้อนเข้ามารู้จิตใจตนเองเพื่อเห็นความเกิดดับของจิตและเจตสิกจนตัดเข้าถึงกระแสธรรมได้ดังนั้นพระป่าจึงทิ้งสมาธิไม่ได้ เว้นแต่จะหันมาเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นทางดำเนินของผู้เป็นวิปาาัสสนาญาณิกถ้าศึกษาสังเกตคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์วัดป่าให้ดีจะพบว่าหลายองค์ทีเดียวที่คำสอนในยุคต้นของท่านจะเน้นที่การบริกรรมพุทโธและพิจารณากาย เมื่อท่านล่วงการผ่านวัมีประสบการณ์มากขึ้นท่านกลับเน้นเรื่องการเจริญสติรู้อยู่ที่จิตใจของตนเองมากขึ้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็เช่นหลวงปู่เทศเทสรังสีหลวงปู่เหรียญวาราลาโภหลวงปู่ทาจารุธรรมโมหลวงปู่สุวัสดิสุวัจโจและหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยเป็นต้น ส่วนหลวงปู่ดูลัตุโลนั้นท่านสอนเน้นเรื่องจิตมานานแล้วสรุปแล้วพระปาท่านเริ่มการปฏิบัติจากการบริกรรมพุทโธซึ่งเป็นบัญญัติอารมณ์แล้วก้าวเข้ามารู้นามาจิตนามะเจตสิกและรูปซึ่งเป็นปรมาตุอารมณ์การบริกรรมพุทโธจึงเป็นเพียงอุบายอย่างหนึ่งเพื่อการจำแนกและทำความรู้จัก ร, รูปนามนั่นเอง อย่างไรก็ตามเมื่อเจริญสติสัมปชัญญะมากเข้าบางคราวเกิดอาการเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าท่านก็บริกรรมพุทโธเป็นที่พักซึ่งก็คือการทําสมถะและบางทีท่านก็ใช้การบริกรรมพุทโธให้จิตรวมลงในจุดเดียวเพื่อรู้จิตให้ชัดเจนจนเห็นว่าจิตไม่ใช่ตนและปล่อยวางจิตอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน คำสอนของหลวงปู่ดูลถามผมเคยอ่านธรรมเทศนาวิธีการปฏิบัติธรรมรวมทั้งปริศนาธรรมของหลวงปู่ดูลรู้สึกว่าเป็นข้อธรรมที่ลึกซึ้งมากเกินกว่าสติปัญญาของผู้ทุชนจะเข้าใจได้จึงอยากจะขอความการุณาให้หลวงพ่อช่วยอธิบายคำสอนของท่านด้วยครับ เมื่อกล่าวถึงคำสอนของหลวงปู ด, ดูนแล้วอาตมามีข้อสังเกตว่ายิ่งนานวันยิ่งมีผู้แต่งคำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยอ้างว่าเป็นคำสอนของหลวงปู ด, ดูนออกมาเผยแพร่มากขึ้นมากขึ้นบางเรื่องขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปเช่นสอนว่าหนึ่งถ้าจิตฟุ้งซ่านก็อย่าปฏิบัติ จุดนี้ขัดกับมหาสติประฐานสูตรที่ว่าจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านหรือแต่งว่าสองเหตุต้องละผลต้องละชัยนี่ก็หมดพ้นเหตุเกิดนี่ก็ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทุกอันเป็นตัวผลให้รู้สมุทัยอันเป็นตัวเหตุให้ละ ขอยืนยันว่าหลวงปู่ไม่เคยสอนอย่างนี้ลองฟังเทพคําสอนที่เป็นเสียงเดิมของท่านดูได้เลยที่ว่าเหตุต้องละนั้นถูกแล้วแต่ผลละไม่ได้หลวงปู่จึงสอนว่าผลต้องละใช้หมายความว่าอย่าปฏิเสธวิบากต้องยอมรับผลจากการกระทําของตนโดยไม่ไปทําเหตุที่ไม่ดีขึ้นอีกนอกจากนี้ ก็มีการแต่งปริศนาธรรมแปลกๆแล้วอ้างว่าเป็นคำสอนของหลวงปู่ก็มีอาตมาเคยถามสิทธิ์ของหลวงปู่หลายท่านแล้วไม่มีใครเคยได้ยินหลวงปู่สอนว่าอย่างนั้นเลยอาตมากล้ายืนยันว่าหลวงปู่ไม่เคยสอนปริศนาธรรมมีแต่บอกธรรมะอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและลัดสั้นที่สุด เพียงไม่ให้พวกเราหลงเพลินไปในโลกของความคิดจนลืมระลึกรู้สภาวธรรมแต่พวกเราเองมีนิสัยชอบคิดเมื่อได้ฟังธรรมที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ยังนำมาคิดต่ออีกแต่เมื่อคิดไม่ออกเพราะธรรมเป็นสิ่งที่คิดคิดเอาไม่ได้ก็เลยเหมาเอาว่าท่านแสดงปริศนาธรรมเรามาพูดกันถึงคำสอนดั้งเดิมของท่านกันดีกว่า ตัวอย่างเช่นเมื่ออาตมาไปศึกษาธรรมกับท่านนั้นท่านสอนการปฏิบัติให้เพียงสั้นๆว่าให้ดูจิตบ้างอย่าส่งจิตออกนอกบ้างเมื่อถามท่านว่าจิตอยู่ที่ไหนท่านกลับตอบว่าจิตไม่มีที่ตั้งเมื่อถามท่านว่าจะหาจิตได้อย่างไรท่านกลับตอบว่าอย่าใช้จิตแสวงหาจิต เมื่อกราบเรียนท่านว่าเห็นจิตวิ่งไปมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจท่านกลับตอบว่าจิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมาเมื่อกราบเรียนท่านว่าสามารถรู้อยู่ที่จิตผู้รู้ได้อย่างมั่นคงแล้วท่านกลับสอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ เมื่อถามท่านว่าผู้รู้เป็นจิตจะทำลายจิตได้อย่างไรท่านกลับตอบว่าจิตไม่ใช่จิตแต่ก็มิใช่ไม่ใช่จิตเมื่อกราบเรียนท่านว่าเห็นจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นคนละอันกันท่านกลับตอบว่าจิตกับสภาวะที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันเป็นต้น คำสอนของท่านล้วนเป็นหลักปฏิบัติสำคัญในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือคำว่าดูจิตหมายถึงให้ตามรู้ตามเห็นไปอย่างที่จิตเขาเป็นไม่เผลอไม่คิดและไม่เพ่งเอานี่เป็นวิธีเจริญวิปัสสนานั่นเองที่ท่านสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอก คือสอนว่าเมื่อจะปฏิบัติธรรมต้องมีสติสัมปชัญญะไม่หลงอารมณ์ไม่ถูกตัณหาหกครอบงำและต้องสักว่ารู้อารมณ์ที่ท่านสอนว่าจิตไม่มีที่ตั้งก็เป็นการทำลายความเห็นผิดว่าจิตมีที่ตั้งประจําเป็นการถาวรเพราะถ้าเชื่อเช่นนั้นจะมีโอกาสผิดพลาดหลายอย่างเช่นหนึ่ง คิดว่าจิตเที่ยงคือจิตมีดวงเดียวแล้วเที่ยววิ่งไปทางทวานทั้ง6และสองจะเกิดความพยายามเอาจิตไปตั้งไว้ที่จุดนั้นจุดนี้ซึ่งเป็นวิธีของการทำสมถะความจริงจิตเกิดดับอยู่ทางทวานทั้ง6ตลอดเวลาจะพยายามเอามันไปตั้งไว้ที่ไหนเป็นการถาวรได้แต่ถ้าจะถามหาที่ตั้งกันจริงๆก็ควรกล่าวว่าจิตเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปทางอาญตนะภายในทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ท่านสอนว่าอย่าใช้จิตแสวงหาจิตก็เป็นการบอกตรงๆว่ารูปนามปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเพียงมีสติและมีโยนิโสมนสิการเข้าใจถึงสภาวะของรูปนาม ก็พบรูปนามแล้วจะเที่ยวไปหามันทําไมเพราะการหานั้นเกิดจากอำนาจของตันหาจิตที่กำลังถูกกิเลตันหาครอบงำย่อมไม่มีสติเมื่อไม่มีสติก็ไม่มีทางรู้สภาวะของรูปนามได้เลยดังนั้นไม่ว่าจะพยายามหาจิตสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพบแต่ถ้ามีสติรู้ทันว่ากำลังมีตันหา ก็รู้ทันว่ากำลังพยายามหาเท่านี้ก็เจอจิตแล้วที่ท่านสอนว่าจิตแท้จริงไม่มีการไปไม่มีการมาก็เป็นการบอกตรงๆว่าจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะเราไม่รู้เราหลงผิดว่าจิตเที่ยงหรือจิตเป็นตัวตนถาวรจึงเห็นว่าจิต ด, ดวงนี้แหละ ที่ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งที่ความเป็นจริงนั่นคือวิญญาณที่เกิดดับทางทวารทั้ง6และสิ่งที่เห็นว่าวิ่งไปมาก็เป็นแค่อาการของจิตใจหรือเป็นความปรุงแต่งฝ่ายนามธรรมาโดยจิตเป็นผู้รู้อาการนั้นอีกทีหนึ่งแต่เราเป็นหลงอาการจึงไม่รู้จักจิตที่ท่านสอนว่า พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ก็คือไม่ให้ยึดจิตผู้รู้ถ้ายังยึดอยู่ก็หลุดพ้นไม่ได้ที่ท่านสอนว่าจิตไม่ใช่จิตก็คือการชี้ให้เห็นว่าตัวสภาวะหรือจิตปรมัติเป็นอย่างหนึ่งบัญญัติว่าจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเข้าถึงตัวจิตปรมัติก็จะรู้ว่า สภาวะอันนั้นมีอยู่แต่ไม่เรียกว่าเป็นอะไรเลยถ้าไม่เข้าไปคิดนึกปรุงแต่งแล้วจะรู้สภาวะนั้นโดยไม่เอาความคิดเข้าไปปนเปื้อนการรู้อีกต่อไปจนเห็นความจริงของจิตปรมัตว่าเป็นไตรลักษณ์และปล่อยวางจิตได้ที่ท่านสอนว่าจิตกับสภาวะแวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกัน ก็คือการชี้ให้เห็นสภาวะแห่งความเป็นอนัตตาของรูปนามทั้งภายในและภายนอกจะเห็นได้ว่าหลวงปู่ดูลไม่เคยสอนปริศนาธรรมแต่สอนธรรมอย่างตรงไปตรงมาที่สุดตามสภาวะที่ปรากฏและมุ่งกระตุ้นให้เราก้าวต่อไปในทางธรรมโดยไม่หลงติดอยู่กับสภาวะอันใดอันหนึ่งที่พบเห็นในระหว่างทาง และท่านไม่เคยสอนเพื่อเอาใจเราจนบางคนก็รับไม่ได้เพราะคำสอนของท่านไม่ตอบสนองกับกิเลสของตนเช่นบางคนพอใจกับนิมิตต่างๆท่านกลับบอกว่านิมิตทั้งหลายนั้นยังออกเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้หรือบางคนภูมิใจที่สามารถรู้อยู่กับจิตผู้รู้ได้ท่านกลับบอกให้ทิ้งเสียเป็นต้น ก็คงคล้ายกับธรรมนิยายที่ว่ากามนิต์เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระองค์ท่านสอนว่าสวรรค์ไม่เที่ยงและไม่มีอาตมันคือไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริงมีแต่รูปกับนามซึ่งขัดแย้งกับกิเลสของกามนิษ์อย่างรุนแรง อยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องอริยสัจแห่งจิตที่หลวงปู่ดูลสอนว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยมีผลเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมีผลเป็นนิโรธไม่ทราบว่าแตกต่างหรือสอดคล้องกับคำสอนเรื่องอริยสัจของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าครับต้องสอดคล้องสิ เพราะหลวงปู่ดูลเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกอาตมาจะขอกล่าวไปทีละสัจจะก็แล้วกันที่ท่านสอนว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยนั้นเพราะท่านพบสภาวะจริงๆว่าถ้าจิตทยานอยากออกไปยึดอารมณ์ทางทวารทั้งหความทุกย่อมจะเกิดขึ้นทันที ถ้าจิตไม่ทยานอยากออกประยึดอารมณ์ทางถวาวรทั้ง6จิตจะไม่ทุกข์ส่วนพระพุทธเจ้าท่านทรงชี้เข้ามาที่ตัวตันหาซึ่งเป็นตัวผลักดันให้จิตทยานออกประยึดอารมณ์ทางถวาวรทั้ง6ถ้าทําลายตันหาทั้ง6ได้จิตก็จะไม่ทยานออกยึดอารมณ์ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นการมองเรื่องเดียวกัน แต่มองจากคนละมุมคือหลวงปู ด, ดูลท่านมองจากปรากฏการณ์ส่วนพระพุทธเจ้าทรงชี้เข้าไปถึงเบื้องหลังของปรากฏการณ์ด้วยหลวงปูดูลสอนว่าผลอันเกิดจากจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ทุกตัวนี้ก็คือทุกทางใจที่นักปฏิบัติมุ่งจะพ้นให้ได้นั่นเองส่วนทุกตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มีความหมายกว้างกว่านั้นคือกายและจิตเองนั่นแหละเป็นตัวทุกข์จิตจะส่งออกหรือไม่ส่งออกตัวจิตก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วซึ่งหลวงปู่ดูลท่านก็เห็นตามพระพุทธเจ้าเช่นกันท่านจึงสอนให้ทำลายความยึดถือจิตให้ได้จึงจะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างแท้จริงหลวงปู่ดูลสอนว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรค ซึ่งก็ถูกต้องของท่านเพราะการตามรู้จิตตามดูจิตก็คือการเจริญวิปัสสนาที่เอานามเป็นอารมณ์จัดเป็นการเจริญปุปพพากามักตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่หลวงปู่ท่านชี้เข้ามาที่ตัวจิตอย่างเดียวก็เพราะจิตใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในธรรมทั้งปวงถ้ารู้ทันจิตก็เหมือนจับประมุกได้ ลูกน้องก็หมดความหมายไปเองส่วนนิโรดนั้นหลวงปู่ท่านใช้ในความหมายเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงใช้นั่นเองสรุปแล้วหลวงปู่ดูลท่านอธิบายอริยสัจแบบเจาะจงเพื่อการปฏิบัติของสิทธิ์ซึ่งถ้าศึกษาและปฏิบัติเท่าที่ท่านเลือกเฟ้นธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนก็พอจะพ้นทุกข์ได้ ในขณะที่คำสอนเรื่องอริยสัจของพระพุทธเจ้านั้นกว้างขวางครอบคลุมธรรมฝ่ายกุศลทั้งปวงพระทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงซึ่งมีวาสนาบารมีและอินทรีย์แกอ่อนแตกต่างกันมากมาย มผมสงสัยว่าทำไมคำสอนของหลวงปู่ดูลจึงเหมือนกับคำสอนของห่วงโปเพราะหลวงปู่ยืมถ้อยคำของท่านห่วงโปมาใช้เรื่องนี้สืบเนื่องจากท่านเจ้าคุณพระโพธินันธมุนีเป็นผู้นำหนังสือคาสอนห่วงโปที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแปลไว้ไปถวายให้หลวงปู่พิจารณาหลวงปู่เห็นว่า ท่านหวงโปบัญญัติถ้อยคำไว้ตรงกับสภาวะดีแล้วและท่านอาจารย์พุทธทาสก็แปลไว้ดีแล้วจึงนำคำสอนมากล่าวสอนเพียงบางส่วนเท่าที่เห็นว่าผู้ปฏิบัติควรทราบมาในชั้นหลังนี้ได้ทราบว่ามีผู้ตำหนิท่านว่าละเมิดลิขสิทธิ์คือนำหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสไปพิมพ์แจกเป็นหนังสือจิตคือพุทธความจริง หลวงปู่ไม่เคยเขียนหนังสือธรรมะและไม่เคยพิมพ์หนังสือธรรมะแจกมีแต่กล่าวธรรมให้ผู้สนใจฟังอย่างไม่มีรูปแบบและครั้งละไม่กี่คนเท่านั้นและท่านก็ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศหรือได้รับผลประโยชน์อะไรเพียงต้องการให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์เท่านั้นส่วนการพิมพ์หนังสือจิตคือพุท ธ, ธะก็เป็นเรื่องที่ลูกศิษย์ลูกหาทํากันเองในชั้นหลัง ถ้าจะว่ามีความบกพร่องที่ไม่มีเชิงอัดหรือบรรณานุกรมอ้างอิงถึงหนังสือแปลของท่านอาจารย์พุทธทาสก็ขอให้ว่าลูกศิษย์เถอะผู้เฒ่าอายุร่วมร้อยปีท่านไม่เข้าใจเรื่องลิขสิทธ์อะไรหรอกเหมือนท่านอ่านหนังสือแล้วเห็นว่าถูกต้องดีและสอดคล้องกับธรรมที่ท่านรู้เห็นมาด้วยการปฏิบัติท่านก็นํามาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเท่า น, นั้นเอง ถามคำสอนของเวยหลางฮวงโปไม่ใช่คําสอนในฝ่ายเทราวาสของเราจะใช้ได้หรือครับโดยเฉพาะบางอย่างฟังแล้วพิกลมากเช่นเรื่องจิตกับสภาวะที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันพอจะมีคําสอนในฝ่ายเทราวาสของเราเทียบเคียงได้บ้างไหมครับคําสอนทั้งหลายนั้นจะใช้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่า ใครเป็นผู้สอนแต่อยู่ที่ตัวเนื้อหาของคำสอนเองต่างหากโดยเฉพาะคำสอนในเรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นหากสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องถือว่าใช้ได้แต่หากขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้ผู้สอนจะเป็นฝ่ายเถราวาดเองก็ต้องถือว่าใช้ไม่ได้ดังนั้น เราไม่ควรยอมรับหรือปฏิเสธคำสอนของผู้ใดด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเป็นเถราวาชหรือมหายาณแต่ควรดูที่เนื้อหาของคำสอนนั้นเป็นสำคัญสำหรับคำสอนที่ว่าจิตกับสภาวะที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนั้นโดยถ้อยคำหรือพยัญชนะแล้วไม่มีปรากฏในคำสอนของฝ่ายเถราวาชแน่นอน และโดยเนื้อหาหรืออัตตะถ้าเราตีความตรงตามตัวอักษรก็ไม่ถูกต้องตามคำสอนของฝ่ายเถราวาดด้วยเพราะจิตคือจิตในจิตอันเป็นภายในก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งสภาวะที่แวดล้อมอยู่ได้แก่จิตในจิตอันเป็นภายนอกเจตสิกรูปทั้งที่มีวิญ ญ, ญาณครองและไม่มีวิญ ญ, ญาณครองและนิพพาน ต่างก็เป็นสภาวะธรรมต่างหากออกไปจากกันจะเป็นสิ่งเดียวกับจิตคือจิตในจิตอันเป็นภายในไม่ได้เลยแต่ถ้าพิจารณาถึงสิ่งที่ท่านห่วงโปต้องการสื่อแล้วคําสอนดังกล่าวก็น่าฟังมากคือท่านไม่ได้สอนว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานและบัญญัตเป็นสิ่งเดียวกันแต่ท่านกล่าวถึง ความรู้สึกของผู้ที่สามารถปล่อยวางความยึดถือจิตได้แล้วซึ่งจะรู้สึกว่าทำทั้งปวงทั้งภายในและภายนอกเป็นสิ่งเดียวรวดคือเป็นอนัตตาทั้งนี้จิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นคนละสิ่งโดยสภาวะแต่มีลักษณะอันเดียวกันคืออนัตตลักษณะหากพิจารณาถึงคำสอนในฝ่ายเถรวาตเอง ที่พอจะเทียบเคียงกับสภาวธรรมตามความมุ่งหมายของท่านห่วงโปได้บ้างก็มีปรากฏในอัตถกถาว่าด้วยพาหิยะสูตรคือพระอัตถกาถาจารย์กล่าวว่าจักขวิญญาณย่อมไม่กำหนัดขัดเคืองหลงในรูปที่มาปรากฏฉันใดเราจะตั้งชวนาจิตไว้โดยประมาณแห่งจักขวิญญาณอย่างนี้ว่าชวนจิตของเรา จักเป็นเพียงจักขวิญญาณเท่านั้นเพราะเว้นจากราคะเป็นต้นจุดนี้พระอัตถคาจารย์กล่าวถึงจักขวิญญาณจิตว่าปราศจากกิเลสและสิ่งที่จักขวิญญาณจิตเห็นนั้นนักปฏิบัติจะพบว่ามันคือรูปที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนและปราศจากน้ำหนักแต่เมื่อเห็นรูปแล้ว เจวนจิตที่เกิดตามมากลับเป็นมหากุศลจิตบ้างหรือเป็นอกุศลจิตบ้างและจิตเกิดความยึดถือรูปนั้นจึงเกิดน้ำหนักแห่งความเป็นตัวตนขึ้นในจิตใจดังนั้นรูปภายนอกจึงว่างไร้น้ำหนักแต่จิตภายในกลับหนักนับว่าจิตกับสภาวะที่แวดล้อมอยู่เป็นคนละอย่างกัน แต่ถ้าชาวนาจิตที่เกิดตา ม, มาเป็นเหมือนจากกุวิญญาณจิตเมื่อใดคือทำหน้าที่รู้อย่างเดียวไม่ปร่งแต่งกุศลหรืออกุศลแต่จิตยอย่างนี้แหละเป็นมหากุศลจิตชั้นยอดทีเดียวชาวนาจิตจะไม่มีน้ำหนักแห่งความเป็นตัวตนหรือน้ำหนักแห่งความยึดถือขันผู้ปฏิบัติจะรู้สึกได้ทันทีว่ารูป อันเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ว่างและจิตเองก็ว่างเสมอกันอาตมาคิดว่าท่านห่วงโปต้องการเล่าถึงสภาวะตรงนี้ในขณะที่คำภีฝ่ายเถรวาดของเราไม่ได้เล่าถึงสภาวะที่เป็นผลแต่เล่าถึงส่วนที่เป็นการทำเหตุคือการฝึกเจริญสติไปจนกระทั่งเ้าวณะจิตว่างเปล่าจากกิเลส เช่นเดียวกับจกักขวิญญาณจิตอันจะทำให้ได้เห็นธรรมภายในและธรรมภายนอกว่างจากความเป็นตัวตนเสมอกันหมด 11. เเรื่องอื่นๆถามจะปฏิบัติธรรมจะต้องอยู่ในวัด หรือเข้าสำนักปฏิบัติหรือเปล่าหรือทำที่บ้านก็ได้ครับถ้าจะทำสมถะก็ควรหาสถานที่อันสงบสงัดแต่ถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ไม่เลือกเวลาและสถานที่แต่อย่างใดเพราะเราจเจริญวิปัสสนาเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจคิดนึกไม่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องวัดเลย แต่สำหรับผู้หัดใหม่เบื้องต้นจะฝึกเป็นกลุ่มในวัดหรือในสำนักก่อนก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเข้าใจหลักปฏิบัติแล้วก็ควรหลีกเร่นไปทำความเพียอรอเองดีกว่าจะคลุกคลีอยู่กับหมู่คณะเรื่อยไปอันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญ เป็นเกหรือเลสเบี้ยนปฏิบัติได้ไหมคะได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกขอให้ภาคเพียจริงๆเถอะในอัตกถาธรรมบทก็มีร่องรอยของผู้เป็นเกแล้วได้ปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดแห่งทุกมาแล้วถามการใช้ชีวิตคารวาดบางครั้ง จำเป็นต้องทำผิดศีลเช่นปลวกขึ้นบ้านต้องหาทางกำจัดสุนักมีหมัดมีเห็บก็ต้องฆ่าหมัดและเห็บค้าขายต้องโกหกเช่นต้องบอกต้นทุนเกินจริงบ้างโฆษณาคุณภาพสินค้าเกินจริงบ้างเวลาอยู่ที่ทำงานบางทีเจ้านายก็ใช้ให้โกหก เช่นคนมาขอพบเจ้านายต้องโกหกว่าเจ้านายไม่อยู่หรือกำลังประชุมบ้างที่คุณกล่าวมานี้เหมือนคำบ่นมากกว่าคำถามเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณต้องการรักษาศีลหรือเปล่าถ้าต้องการรักษาเพื่อสร้างสมบารมีก็ต้องยอมสูญเสียบางอย่าง แต่ถ้าพลาดไปทำผิดศีลเข้าจริงๆก็ต้องหัดหวางใจให้ถูกเพื่อให้เกิดโทษน้อยลงเช่นปลวกขึ้นบ้านก็อย่าคิดฆ่าปลวกให้คิดรักษาบ้านทำนองเดียวกันอย่าคิดฆ่าหมัดแต่ให้คิดอนุเคราะห์ใหสุนัขอยู่สุขสบายถ้าเจ้านายใช้ให้โกหกก็อย่าคิดว่าเราจะโกหกให้คิดว่า เราจะทําตามคําสั่งของผู้บงังคับบัญชาส่วนการค้าขายนั้นถ้าคุณซื่อสัตว์ต่อลูกค้าคุณน่าจะได้ประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าการโกหกลูกค้าถามนั่งแล้วเห็นแสงได้ยินเสียงเห็นเทวดาเห็นผีจะทําอย่างไรดี เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเห็นอะไรแปลกแต่ปฏิบัติเพื่อจะรู้รูปนามตามความเป็นจริงดังนั้นถ้าเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจให้สนใจจิตตนเองเช่นเห็นผีแล้วกลัวก็ให้รู้ว่ากลัวเห็นเทวดาแล้วดีใจก็ให้รู้ว่าดีใจเป็นต้นสิ่งที่จิตไปเห็นนั้น เท็จหรือจริงก็มีค่าเท่ากันถ้าเห็นแล้วรู้ทันจิตก็ใช้ได้ถ้าเห็นแล้วหลงยินดียินร้ายก็ใช้ไม่ได้ เวลาปฏิบัติจิตมันชอบภาคหรือชอบร้องเพลงออกมาซ้ำๆจะทำอย่างไรคะรู้ไปเรื่อยๆถ้ารำคาญที่มันภาคหรือร้องเพลงก็ให้รู้ว่ารำคาญแต่ถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็ทำสมถะช่วยให้จิตสงบลงบ้าง ถามจิตเสื่อมจิตตกทำอย่างไรดีจิตมันไม่เสื่อมและไม่ตกหรอกแต่มันเกิดดับเป็นขณนะขณะไปบางคราวเกิดพร้อมกับโสมนั ส, สเวทนาบางคราวเกิดพร้อมกับโทมณัสเวทนาบางคราวมีกิเลสบางคราวไม่มีกิเลส ทั้งนี้เพราะมันยังมีเหตุมีปัจจัยให้ต้องเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติไม่ควรคาดหวังว่าจิตจะต้องสงบต้องสุขต้องไม่มีกิเลสตลอดการถ้าเข้าใจได้ว่าจิตมีความผันแปรไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจิตจะเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องตกใจคิดว่าจิตแสดงธรรมให้ดูว่าจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็แล้วกัน ถามนั่งสมาธิแล้วจิตชอบตกภวังจะแก้ไขอย่างไรจิตชอบตกภวังหรือความจริงภวังไม่ได้มีเอาไว้ให้ตกเหมือนตกหลุมตกบอ่อแต่ภวังเป็นชื่อของจิตอย่างหนึ่งที่ยังไม่ขึ้นสู่วิถีมาทำงานรับรู้อารมณ์ใหม่ส่วนที่นั่งสมาธิแล้วเคลิ้ม ลืมตัวซึ่งนักปฏิบัติบางคนชอบเรียกว่าจิตตกภวังนั้นความจริงจิตในขณะนั้นประกอบด้วยโมหะท่านนั่งแล้วเคลิ้มบ่อยก็ให้ลุกขึ้นเดินถ้าจำเป็นต้องนั่งก็ลืมตาเข้าไว้และคอยรู้ทันเวลาโมหะและราคะปรากฏขึ้นเช่นเกิดความเฉืยชาหรือคิดอาวรถึงความสุขสงบ จิตก็จะไม่ตกภวังอย่างที่ว่านั่นหรอกถามจิตไปแช่ในอารมณ์จะให้แก้อย่างไรครับให้รู้ว่าจิตไปแช่อยู่กับอารมณ์แต่ต้องรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าอยากเลิกแช่ จิตที่ไปจมแช่กับอารมณ์เกิดจากจิตขี้เกียจเจริญสติจึงจับอารมณ์อันเดียวนิ่งๆอยู่เพราะรู้สึกว่าสบายดีหรือบางทีก็เพราะสำคัญผิดว่าการทำอย่างนั้นคือการเจริญสติถ้ารู้ไม่ทันก็ติดอยู่ตรงนี้หลายๆปีหรือตลอดชีวิตทีเดียวการไปแช่กับอารมณ์นั้นมีหลากหลายมาก บางคนกำหนดลมหายใจแล้วจิตก็เคลื่อนไปเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจบางคนกำหนดเท้าท้องจิตก็ไหลไปเกาะที่เท้าท้องบางคนตรึงความรู้สึกไว้ที่กายตลอดเวลาเพราะกลัวจะเผลอจนจิตแข็งทื่อและร่างกายเจ็บปวดไปเลยก็มีสิ่งเหล่านี้ต้องรู้ให้ทันเพราะเราปฏิบัติธรรมด้วยตัณหา และเคยชินที่จะเข้าไปนอนแช่นิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวพอลงมือปฏิบัติก็ส่งจิตไหลเข้าช่องเดิมทุกทีไปถามผมเห็นอารมณ์กับจิตรวมกันบ้างแยกกันบ้าง จะต้องพยายามทำให้แยกตลอดเวลาไหมครับไม่ต้องใหเรารู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงอย่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้กายและจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ปฏิบัติจนเข้าใจว่ากายและจิตไม่ใช่ตัวเราของเราตัหาก อยากทําวิปัสสนาแต่จะขอเริ่มจากสมถะก่อนได้ไหมครับคําถามนี้ก็คล้ายๆกับพูดว่าอยากร่ํารวยแต่จะเริ่มจากการนอนพักผ่อนก่อนได้ไหมแท้จริงเราจะทําสมถะหรือจะทําวิปัสสนาเราต้องมีสติปัญญากํากับอยู่เสมอต้องรู้ว่าจะทําอะไรเพื่ออะไรและทําอย่างไร จึงจะถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้เช่นถ้าจิตฟุ้งซ่านมากหรือมีนิวรณ์มากจนเจริญสติไม่ถูกอย่างนี้ก็ควรทำสมถะเส้นหน่อยแต่ถ้าจิตไม่มีนิวรณ์ก็ควรจเจริญสติไปได้เลยขอให้เข้าใจว่าการทำสมถะมากๆไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาแต่ปัญญาเกิดจากการเฝ้ารู้เฝ้าสังเกต กายนี้ใจนี้อยู่เสมอเสมอไม่ได้เกิดจากการนอนเพลินอยู่กับสมาธิ